เราจะไปกันที่เรื่องของคุณบอยครับคุณบอยฉีดปลวกคุณบอยฉีดปลวกกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับเรื่องหลอนตอนรับกำจัดปลวกครับที่ร้านนวดแห่งหนึ่งที่มีฝรั่งเป็นเจ้าของนะครับเรื่องของตุ๊กตาฝังวิญญาณครับ เป็นของประดับโบราณครับอันเป็นที่มาของเรื่องนี้ครับเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะเรื่องที่6ของเราในค่าคืนวันนี้นะครับเอาละครับดูเหมือนว่าตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณบอยฉีดปลวกได้เป็นที่เรียบร้อย มาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องต่อไปครับเรื่องของตุ๊กตาฝังวิญญาณครับสวัสดีครับคุณบอยสวัสดีครับพี่แจ๊คครับโอ้โหเสียงดังฟังชัดเหมือนเดิมนะฮะหลายคนรอฟังเรื่องของคุณบอยอยู่อ๋เอเดือดเลยวันนี้ไม่เป็นไรฮะเราไปวันนี้ต้องบอกแล้วว่ามีแถมมีแถมนะฮะเรื่องของคุณอบอยเนะี่ยน่าจะ เกือบๆนี่แห่ะจบหน้าจะเกือบๆตีหนึ่งครึ่งแน่นอนผมดูจากทรงแล้วนะครับไปได้ชิวๆสบายๆนะคุณบอยสบายดีนะสบายดีครับช่วงนี้ร้อนมากอากาศจะร้อนหน่อยนะครับแล้วก็สลับกับฝนบางช่วงด้วยอ่ใช่เนาะโอเคมาว่ากันถึงเรื่องนี้ตอนนั้นเนี่ยคุณบอยไปทํางานนะครับกําจัดปลวกที่ร้านนวดแห่งหนึ่งครับผมถามก่อนว่าร้านนวดแห่งนี้อยู่ในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดเอออยู่กรุงเทพเลยครับ อยู่กรุงเทพไนมะเรื่องนี้ย้อนกลับไปนานหรือยังฮะเออก็สมัยตอนที่ผมทำาการจับหกวนี่แหล ะ, ค ร, ระครับประมาณประมาณตั้งหกเจ็ดปีประมาณเนี้ยหกเจ็ด <6, 7 S 2> ป, ปีเจ็ด <7 S 2> ปีหกเจ็ดปีอยู่ในช่วงอยู่ในช่วงครับครัเกี่ยวประมาณนี้แหละครับครับนะฮะร้านนวดแห่งนี้มีฝรั่งเป็นเจ้าของซึ่งเขาจะมีของประดับโบราณใช่ครับนะฮะเรื่องของตุ๊กตาฝังวิญญาณเรื่องราวเป็นยังไงเชิญเลยฮะคุณบอยอ่า ทริงๆแล้วผมผมผมคงบอกย่านได้นะเพราะย่านนี้มันก็มีหลายร้านได้ครับอย่านนี้อยู่ย่านพัฒนงศอ๋อโอเคพัฒน์พงศ์พัฒนงครับผมเลยเลยบารญี่ปุ่นมาขึ้นมาอีกสักพักหนึ่งประมาณนั้นนะครับอทีนี้เราได้รับเราได้รับงานนะฮะจากร้านเนี้ยให้เข้าไปดูแลนะครับตอนแรกๆเนี่ยก็เข้าไปแล้วก็ไปสำรวจที่ร้านนี้ก็ตกใจอันดับแรกเลยนะครับคือสิ่งที่เห็นเนี่ยคือคือร้านเนี้ย มันจะเป็นสองห้องอนะครับอืเป็นสองห้องตึกแถวใหญ่ๆแล้วก็เขาจะตีกับแพงทะลุหาดับครัะนั้นพอเข้าไปพื้นที่มันก็จะเป็นพื้นที่โล่งกว้างๆนะครับพอเข้าไปเนี่ยเดินเข้าไปมันจะมีบันไดอยู่ซ้ายมือซึ่งบันไดเนี่ยมันจะเป็นบันไดสั้นๆนะครั บ, รบเลี้ยวซ้ายไปขึ้นชั้นพักและเลี้ยวขวาขึ้นชั้นสองเลยออืในขณะที่จะเลี้ยวขวาชั้นชั้นขึ้นชั้นสองเนี่ยมันจะมีโต๊ะเครื่องแป้งโบราณอืออออเยู่ตัวหนึ่งตั้งอยู่ตรง ทางเดียวกับบันไดที่ขึ้นไปพอดีนะฮะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งก็จะมีกระจกซึ่งมันเป็นกระจกเก่าๆเผาโม่ๆแล้วก็มีรอยแตกเล็นิดอะไรอย่างเงี้ยครับคร่ะนะฮะที่สําคัญกว่านั้นคือมีตุ๊กตานางราตุ๊กตานางรําตุ๊กตานางรําเลยครับคือเป็นตุ๊กตาหนึ่งต่อหนึ่งอ่าฮะหมายถึงว่าเท่าตัวคนเนี้ยนะเท่าตัวคนเลยครับโอ้ยนะฮะเป็นตุ๊กตานางรา เข้าตัวคนแล้วก็เหมือนกับเหมือนกับตั้งท่าตั้าลำวงอะไรประมาณนี้นะคระับซึ่งผมก็ตกใจว่าโอ้โหเจ้าของร้านนี้เขาแบบเนาะคือคิดในใจว่าเขาอุตตรีดีเนาะที่จะเอาของแบบนี้มาประดับอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะตอนนั้นเป็นช่วงช่วงสายๆนะฮะกาเข้าไปสำรวจร้านทัน้งนู่นนี่นั่นหลังจากนั้นผ่านไปก็เซ็นคอนแทคแล้วก็เข้าไปดูแล ท, ที่ที่สถานสถานนวดที่นี่นะครับ เขารับให้ผมพวกผมม า, มาทํางานกันประมาณสักห้าทุ่มนะครั บ, รบเข้าเกณฑ์พนัก ง, งานออกหมดเลยอืมทีเนี้ยตัวของตัวคนที่ดูแลเนี่ยเปิดว่าตัวคนดูแลเนี่ยเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเอภรรยาของเจ้าของซึ่งเป็นฝรั่งนะครับเขาทํางานและเขาก็กลุ่มที่รานนี้เหมือนกันเขาก็บอกว่ามาเดี๋ยวเดี๋ย ว, ยวพี่จะพาขึา้นไปนะครับ ก็เข้าไปพี่มันมันค่อนข้างมืดะนะค่อนข้างมืดเขาไม่ค่อยเปิดไฟกันผมว่าไม่เข้าใจทำไมถึงไม่เปิดไฟออืแต่เขาจะเปิดไฟที่มันเป็นลักษณะเหมือนเป็นไฟหลอด เ, เล็กๆติดกับอยู่กับเครื่องที่เป็นไฟฉุกเฉินนะครับครับอาา่าฮะเพื่อพอให้มีมีแสงสว่างทางอะไรเงี้ยืก็เดินขึ้นไปเดินขึ้นไปตามบันไดที่เราที่เราเคยไปสำรวจรในขณะที่คลื่นชานพักแล้วผมผัานหน้าไปพี่แจ๊คผมเห็นอตุ๊กตานางราเนี่ย เขานั่งอยู่บนโต๊ะอืมอะฮะจากตอนแรกที่ผมเคยเข้ามาครั้งแรกสํารวจ <'s> h, คือตุ๊กตานางราตัวเนี้ยยืนและตั้งลําวงอยู่ oh. แต่เขาเนี้ยผมเห็นเขานั่งอยู่บนโต๊ะ oh. แล้วหันหลังให้อออะฮะผมก็ตกใจแล้วก็ร้องโวยวายวิ่งลงมาครับ <'s> เพื่อนบอกว่าเป็นอะไรเป็นอะไรเจออะไรบอกว่าเออเดี๋ยวเดยังไม่อยากพูดอะไรตอนนี้ hmm. เพื่อนมอกว่าเจออะไรเจออะไรและพี่อีกคนเนี้ยซึ่ง เขาดูแลที่นี่เขาก็เข้ามาถามน้องบอลเจออะไรน้องอเจออะไรบอกพี่เลยเจออะไรบอกเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่ผมไม่กล้าพูดพี่คนดูแลเขาก็เลยพาผมแล้วก็เพื่อนค่อยๆขึ้นไปบันไดที่ตุ๊กตานางลังมาตรงนั้นนะไม่ได้อยู่ที่โต้แลแต่ยืนอยู่ที่เดิมแล้วตั้งท่าลังเหมือนเดิมนครับผมก็บอกว่าเออเจออะไรก็ไม่รู้พี่ผมรู้สึกว่าคืนนี้มันมันมันไม่น่าจะโอเคแล้วนะเนี่ย มันก็ไม่น่าจะโอเคแล้วเพื่อนบอกเอ้ยไม่ได้ไหนๆก็มาแล้วเรามามทํางานเนอะมันไม่มีอะไรหรอกตาควรจะฟาดไปหรือเปล่าเพราะก่อนที่จะมาทําที่เนี้ยเราก็ไปทําหลายที่<ม>นะครับเราบอกว่าแบบอาจจะไม่ได้นอนอะไรคืนก็อาจจะ ง, งงๆแล้วก็มองมองอะไรเบอร์เบ อ, อร์มองผิดมองถูกอะไรเงี้ยนะฮะก็โอเคก็ยืนแล้วตั้งสติกันสักพักหนึ่งก็ไม่มีอะไรเพื่อนบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยว ท, ำทํำด้านสองนะเด<ม>ี๋ยวตัวเขาเองอจจะขึ้นไป ท, ำทํำด้านสาม นะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ออกกลับเลยอืมผมว่าโอเคโอเคคงมันคงไม่มีอะไรมั้งนะฮะเพื่อนก็แยกไปนะครับแยกไปขึ้นไปชั้นสามคือแล้วผมมาทําชั้นสองพี่จิใจอ่ะมันมันไม่อยากทําแล้วอ่ะครับจันใจมันรู้สึกมันวันวันมันคนลุกมันอะไรตลอดเวลาออแต่ก็อ่านะวันเขาต้องทําำก็เลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวขวาไปนะครับเอทางที่ไปเนี่ยคือเดินตรงไปนะครับพี่ และซ้ายกับขวาเนี่ยคือทางซ้ายเนี่ยมันจะเป็นฟุ้งสําหรับให้ลูกค้าที่เข้ามารับบริการนอนครับแล้วก็ทําการนวดนะฮะมผมก็ฉีดตามวงกบอะไรต่อไปเรื่อยๆนี่นั่ น, นมันต้องค่องคันมื่นๆนะนะก็เปิดใส่ใส่ไปแล้วผมก็เลี้ยวกับพอมันสุดทางผมก็เลี้ยวกับและจังหวะที่เลี้ยวกับอะพี่เอผมได้ยินเสียงดนตรีไทยแว่วๆมันมีเสียงดนตรีไทยแว่วๆมาแบบ แวแวๆมาพี่คือคือผมก็ไม่เข้าใจนะว่าเสียงดนตรีไทยมันมาจากไหนแต่พยายามแบบพยายามหาเหตุผลให้กับตัวเองว่าแถวนั้นอะคือมันจะมีโชว์มีอะไรเป็นไปหมดเดี๋ยแยะเสียงตรงเนี้ยมันอาจจะมาจากที่อื่นก็ได้ออืนะครับก็จิตยืนอยู่กับที่แล้วก็ได้ยินเสียงดนตรีไทยออืแต่ที่มันทําให้ตกใจมากกว่านั้นคือทางตาผมอะมันไป็เห็นนาง ล, ลาอ๋อเออ เขายืนอยู่บนฟูกมาที่ฟูกอยู่บนฟูกข้างป<อ>่าขอเงี้อะค่ะแล้วจังหวะที่เพลงไทยอ่ะมันเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆดนตรีไทยนะพี่นะเริ่มดังขึ้นเขาเริ่มรอแต่สิ่งที่ผมเห็นนะคือผมเห็นที่ห่างตาห่างตานะพี่ผมคือมันก้าวออกก้าวไม่ออกอะวะ<อ>มันก้าวไม่ออกอยังไงก้าวไม่ออกเป็นตัวมันแข็งแล้วคนลุกสู้ตลอเลดเวลาเลยค ทำยังไงดีทําอะไรก็ทําไม่ได้ขยับก็ขยับไม่ได้แล้วพี่โชคอืดใจเดียวเนี่ยอยู่ดีๆผมได้ยินเสียงเพื่อนเนี่อมันร้องโวยวายลงมาจากชั้นสามมันร้องโวยวายมาจากชั้นสาแล้วก็วิง่งวิ่งอย่างเดียวเลยแล้วพี่วิง่งแล้วมันก็มาหยุดข้างๆกับไอ้โตเครื่องแป้งแล้วนะเออเหรอแล้วมันก็มองที่โตเครื่องแป้งแล้วมันก็ร้องโวยวายใหญ่ทั้บอกว่าเอ้ยร้องอย่างเงี้ยพอลองเสร็จมันเห็นผมมันก็บอกไอ้บอยวิ boy, ่งออื มันบอกบอยวิ wing, wing, wing ่งวิ่งเลยวิ่งอคือผมก็ฮึดใจนะฮึดใจเดียวเลยแบบการหายใจเราวิ่งออกมาเลยครับผมวิ่งออกมาเสร็จก็ตึงตึงๆึ ง, ต, งตึงมาทั้งสองคน uh, แล้วพี่ที่ดูแล uh, เขาก็ตกใจนะฮะพอเขาอยู่ตรงประตูเขาก็ uh, วิ่งเขามารับ บ, บอกว่าบอยหนูเป็นไรบอยหนูเป็นไงเราสองคนคือหายใจกันพี่เราดีนหายใจด้วยความตกใจอ่ะแล้วก็เลยพากันไปแบบปิดร้านนู้นนี่นั่นเสร็จแล้วก็ยกขนอุปกรณ์เข้าไปที่ลานจอดรถ นะล้วก็ไปทำสติกัน mm hmm. พี่คนดูแลเขาก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้น mm hmm. ทำไมแบบวิ่งลงมามันมีอะไรหรอ <Okay. S 1> ไปเจออะไรดีหรออะไรเงี้ย <Okay. S 1> เพื่อนผมก็ถามว่าพี่ผมถามหน่อยที่นี่มันมีอะไรหรออื mm hmm. เขาก็อึ้งอนะเขาก็ไม่ได้พูดอะไร <Okay. S 1> บอ ก, บอกใช่พี่ผมก็เจอนะผมเจอห่างตาเลย mm hmm. บอกว่าน้องเจออะไรกันผมก็เพื่อนพูพรอมกันเลยว่ามันเป็นตุกตาลังลับ <Okay. S 1> ผมก็ ผมก็อึ้ง น, นะผมอึ้งแล้วผมก็ถามเพื่อนมันเฮ้ยเดี๋ยวเด๋ยวเจอตุ๊กตานางรำด้วยเหรอบอกเออใช่เจอเจอแล้วแบบโอ้โหไม่ไหววะทําไม่ได้ต้องรีบวิ่งลงมาก็เลยสอบถามว่าเพื่อน่ะเจออะไรในขณะที่เพื่อนเน่เลี้ยวซ้ายเข้าไปนะพี่รเราพยายามจะขึ้นไ ป, ไปที่ชั้นสามนะก็ขึ้นไปนะครับชั้นสามมันเป็นลานกว้างมันเป็นอาคารแบบคือปนสองห้องอ่ะพืที่มันก็จะกว้างจากชั้นสองนะครับ แล้วเขาก็ฉีดไปเรื่อยๆทีนี้เนี่ยในจังหวะที่ฉีดแล้วหันหลังกลับมาเขาได้ยินเสียงดนตรีไทยออืเหมือนคงจะนะน่าจะเป็นเวลาเดียวกับที่ผมได้ยินเสียงดนตรีไทยอะนะครับครับฮะเขาหันหลังแล้วเขาได้ยินเสียงดนตรีไทยออืสักพักหนึ่งเขาได้ยินเสียงมันเหมือน เ, นเล็บจิกหรืออะไรสักอย่างเขาเคาะตรงปกเกากาะเกาะอย่นี้เลยเออทําให้เกิดเสียงเขาก็เอ๊ะอะไรวะไม่ไม่ไม่ไม่ เขาไม่แน่ใจว่าเสียงอะไรอ่าฮะมันมีไฟฉายอยู่อันหนึ่ง น, นะครับตุ๊กเขาเองมีไฟฉายเขาพยายามฉายไปรอบๆพื้นผาคิดว่ามันเป็นหนูหรือจะเป็นนางรหรือเปล่าครับปรากฏว่าในขณะที่ฉายไฟฉายไปเนี่ยมันไปกระทบแสงมันไปกระท บ, ะทบอะไรสักอย่างที่อยู่ข้างหลังเขาเาขาก็ก้อยๆหันเข้าไปเพื่อนบอกว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยคือเอเป็นตุ๊กตานางลํา ตัวนั้นแหละที่อยู่ชั้นสองอเขาค่อยๆล้าเข้ามาหาเขาแต่ลักษณะการล้าคือไม่ได้เดินเข้ามาตามปกติ ค, คือเขาโดนเดินบนฟ้าออืแล้วค่อยหัวลงมาอออครับเขาก็ตกใจตกใจแล้วก็วิ่งวิ่งลงมาประจวบหมอพอวิ่งลงมาเสร็จมาเจอตรงโต๊ะเครื่องแป้งนะครับเขาเขามองไปที่โต๊ะเครื่องแป้งแล้วเห็นบุกกระดานดาังล้าเนี่ยคือหน้าเนี่ยอยู่ในกระจกอยู่ในกระจก ผมอยู่ในกระจกเสร็จเขาก็เห็นผมยืนแข็งอยู่เขาก็เลยรีบเรียกผมแล้วให้วิ่งไปพร้อมกันครับฮะก็หลุกัเลยเล่าให้พี่เขาฟังว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะมันเป็นอย่างนี้พี่ก็บอกว่าโอ้โหตายล้วก็ไม่คิดว่าจะได้เจอกันอย่างเงี้ยครับก็บอกพี่เอออย่างน้อยอพี่ช่วยเล่าให้ผมหน่อยฟังหน่อยไหนไหนเราก็เจอกันกันหลายทีแล้วอพี่เขาก็เล่าให้ฟังว่าอ่าให้ตุ๊กตานางราเนี้ยเอ่าฝรั่งอ่ะเขาเป็นคนไปซื้อมาอืม ไปซื้อมาจากที่ไหนมีอันนี้ผมไม่รู้นะผมไมทราบเหมือนกันซึ่งตัวพี่เราเองเขาก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าไปซื้อที่ไหนของก็โตเครื่องแป้งนะครับโตเครื่องแป้งขนาดเก่าๆแล้วบนโต๊เครื่องแป้งมันก็จะมีพวกตลับครับมันเป็นตลับเก่าๆตลับน่าจะเป็นตลับเครื่องแป้งเก่าๆสมัยก่อนที่คนเขาใช้กันนะฮ<ท>ะยุคเก่าๆฝรั่งวันเนี้ยเขาชอบของอะไรเก่าๆแล้วบังเอิญก็ไปเจอตุ๊กตาดังล้ำตรงนี้มาเขาเลยซื้อมาแล้วก็มาประดับออืนะครับเขาบอกว่า อพอมาประดับเสร็จอ่ะพนักงานทุกคนอ่ะเจอดีทุกๆคนเลยอเจอดีไม่เว้นแม้แต่ละคนอะไรเงี้ยเจอคนร่มบ้านเช่เนี่ยคือพนักงานส่วนใหญ่อ่ะลาออกกันยกชุดนะฮะที่เขาบอกว่าชุดเนี่ยน่าจะเป็นชุดที่ที่สามแล้วมั้งชุดที่สามหรือชุดที่สี่เนี่ยแหละที่ยัลาออกยกชุดไปเลยแล้วเนี่ยเป็นชุดใหม่ที่เข้ามาอืนะฮะเขาก็บอกว่าเออก่อนหน้าเนี้ยมันมันมันเคยเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขนาดแบบมี มีครเกิดตายไปแล้วด้วยซ้าไปครับครับนคะครับ ม, มีอย่างเช่นมีมีอยู่คนหนึ่งเขาก็ไม่ค่อยเชื่อนะี่เป็นพนัก ง, งานกันพี่น้องเราให้ฟังน ะ, ะเขาไม่ค่อยเชื่อแล้วเขาก็ขึ้นไปข้างบนอืับปรากฏว่าพอขึ้นไปข้างบนเสร็จร้านมันจะปิดแล้วพี่เขาบอกว่าเอ๊ะทำไมทําไมขึ้นไม่นานจังเขาเลยขึ้นไปตามกันปรากฏว่า พ, พี่พี่คนเนี้ยที่ไม่เชื่อเขาไปอ น, นอนฟุบอยู่ตรงบนยยันไดอนชั้นสามอ่ะพี่ ลักษณะคือหัวทิ่มลงมาแต่ขาชี้ไปทางชั้นสามเขอเขาก็ลากลากพี่คนเนี้ยลงมาลงมาแล้วก็แบคือพยายามทําให้ตื่นนะนี่แล้วก็ถามสืบสืบราวเรื่องว่าตกลงมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับเขาบอกว่าคองก็ไม่ค่อยเชื่อเขาไม่อะไรเขาก็เลยขึ้นไปชั้นสามเพื่อไปเอาขอ ง, ง้ย่างเงี้ยใจังหวะที่เอาเอาของเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงดนตรีไทยครับ Uh huh. ได้ยินเสียงดนตรีไทยจต่ชั้นสามเนี่ยเาปิดไฟนะ mm hmm. ยกเว้นก็แบบว่าลูกค้าจะเยอะจริงๆเขาก็จะให้ลูกค้าขึ้นมาแล้วก็เปิดไฟกันครับ mm hmm. ชั้นสองจะเปิดไฟได้เสียงได้ยินเสียงดนตรีไทยอ่ะดังแว่วมาจากชั้นสองเขาก็เลยหันไป mm hmm. อสิ่งที่เขาเห็นนะ่ะคือมันเป็นเงาอพี่ mm hmm. มันเป็นเงาแหลมๆของฉดาออ mm hmm. เออค่อยๆเลื่อนมาอ oh แต่ไม่เห็นตัวนะ oh เป็นแต่งเงาแล mm ้ว hmm. ค่อยๆเลื่อนมาเลื่อนมาแล้วก็กําลังจะขึ้นชั้นสามเขาก็ตกใจ ตกใจเขาก็เลยหันเพื่อจะวิ่งขึ้นไปชั้นสามแล้วเปิดไฟในจังหวะที่หันกลับมาเนี่ยคือตุ้กระถางรลำน่ะยืนอยู่ตัวนั้นละยืนตัวหน้าเขาเลยเขาบอกว่าหน้าเนี่ย น, นะข า, ขาวๆและตาเนี่ยดํำๆด้วยความเหนื่อยเขากบอกเขาตกใจก็เลยหันไปแล้วจะวิ่งทีหนึ่งปรากฏว่าเหมือนมีอะไรมาจับขาเขาเขาเลยล้มและหน้าไปฟาด ก, กับไอ้สันบันไดทำให้เขาสล บ, บแล้วเขาก็ไปทดูเรื่องอีกเลยหลังจากนั้นหลังจากนั้นไม่นา น, นะเขาก็ลาออก แล้วพนักงานหลายๆคนเขาเขาก็กลงเห็นนะนะเขาก็เลยลาออกแล้วก็ลาออกกับยกชุดเลยแล้วก็รับชุดใหม่มาแทนนะครับทีนี้อีกคนเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ที่แบบร้ายแรงที่สุดคือคนนี้<ถ>คนนี้ยิ่งไม่เชื่อใหญ่เลยแล้วก็พกพกเครื่องรางของขังในเต็มตัวไปหมดนะครับ เ, เขาบอกว่าเขาเขาก็ไม่ค่อยเชื่อไม่เชื่อ เขาก็เดินขึ้นไปชั้นสองชั้นสามนะพี่พี่เราพี่เขาเราไป้ฟังว่าเดินขึ้นไปชั้นสองชั้นสามเดินมาแล้วก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรจริงๆ mm hmm. เพราะเคิดว่าอ๋อสงสัยคนเนี้ยเขามีของ mm hmm. เขาคงทําอะไรไม่ได้จริงๆอะไรประมาณเนี้ยนะคะมันมีอยู่วันหนึ่งอยู่ดีๆพี่เขาว่าเห็นพี่คนเนี้ยที่เขาใส่ของเป็นตัวเนี้ยเอ mm hmm. เขาเดินตาลอยๆอยอกไาจากห้องน้ำแล้วพี่ mm hmm. แล้วก็ขึ้นไปชั้นสองแล้วก็หายไปเลย ก็าหายไปเลยเสร็จบอกคง mm hmm. ไม่มีอะไรมั้งเพราะว่าปกติโคชสองจนสามเขาลงมาเขไม่ได้เป็นอะไร mm hmm. เขาก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สนใจอะไรไม่ได้อะไรอะไรย่างนี้พีหลังจากนั้นคือมันนานเกินไปขึ้นมาประมาณเกือบสองถึงสามชั่วโมงแล้วยังไม่ลงมาอีก mm hmm. อะไรเงี้ยแ ล, ล้วลานก็กลังจะปิด mm hmm. เขาก็เลยทยอยคนแบบคือเรียกคนอ่ะให้ทยอยจบบขึ้นไปร mm hmm. วมๆกันประมาณสักห้าคนแล้วมีพี่คนดูแลอีกคนหนึ่งเขาก็เดินกันไปอ mm hmm. ตอนนั้นน่า ในล้านเริ่มปิดไฟกันหมดแล้วเขาก็เดินกันขึ้นไปพอเดินกันขึ้นไปเสร็จอยู่ดีๆไอ้ไฟไอ้ไฟที่มันเด็กกับไฟที่ไฟฉุกเฉินอ่ะมันดูเล็กๆอยู่ดีๆมันดับซึ่งปกติมันไม่ควรจะดับมันก็ดับมันดับเสร็จมันมีประมาณคนหรือสองคนนี่แหละเขาบอกว่าพี่ผมผมไม่เ hmm. ข hey ้านะผมขอกลับบ้านก่อนแล้วเขาวิ่งกมาเลย ฉะนั้นก็จะมีอยู่แค่ประมาณสามคนกับพี่คนดูแลอีกคนหนึ่งนะแล้วเดินขึ้นไปเอ่อเขาก็เดินขึ้นไปตรงบันไดนะพี่แล้วก็ขึ้นไปชั้นทักปรากฏว่าเห็นพี่ผู้ชายคนเนี้ยอยู่จริงๆอแต่เขานั่งอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งและหันหลังให้ครับพอเดินขึ้นไปเนี่ยใกล้ๆเขาได้ยินเสียงดังจึกออืจึกจึกอย่างเงี้ยครับจึกเฮ้ยเสจอะไร มีคนหนึ่งเขาก็จะเอ๊ะทําไมบนพื้นมันมีน้ำเขาบอกมีน้ําเขาก็ฉายไฟฉายไปมันเป็นน้าดำๆมาพี่เออปรากฏว่าเข้าไปดูอ่ะพี่ผู้ชายคนเนี้ยเขาก็กำลังเอากําลังเอามีดแทงไปที่ท้องตัวเอยู่เฮ้ยไอเสียงดังจึกจึกเนี่ยคือเขากําลังแทงท้องเ ด, ด็เองอยู่เออเอาแทงท้องพี่เขาก็ตกใจเลยเขาก็รีบเอามือออกแบบจับจับมีด อ, อะไรอย่างเงี้ย พี่ผู้ชายคนเนี้ที่เขาเอามีดมาแทงนะเขาก็ขวัลเลาะไปด้วยนะพี่ครับขวัลเลาะไปด้วยแล้วก็แทงไปด้วยหวัลเลาะไปด้วยแล้วก็แทงไปด้วยก็รีบเอามีดแยกออกเลยแล้วก็รีบพาพี่เข้ามาแล้วก็แจ้งลงพื้นลงในโรงพยาบาลนะพาเขาพี่เขาไปโรงพยาบาลเพื่อทําการรักษาด่วนเลยครับไอ้น้ำที่เห็นขน้างล่างเลยมันเป็นเลือดออมันเป็นเลือดที่เขาแทงกับท้องนะพี่ครัหลังจากนั้น ไม่นานนักพี่คนเนี้ยรักษาตัวก็หายนะครับเออพี่คนดูแลเขาก็เลยไปถามไปถามว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นวันนั้นทําไมอยู่ดีๆไปอยู่ตรงนั้นแล้วแบบมีผัอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเอในเขาจําได้แค่ว่าเขาเข้าไปในห้องน้ํำเข้าไปในห้องน้ําแล้วอยู่ดีๆมีผู้หญิงเรียกชื่อเขาครับเขาก็ไม่รู้ว่าใครเรียกเขาก็แล้วเขาก็ขานรับไปออืในจังหวะที่ขานรับเขาก็เปิดประตูก็ไม่มีใคร แต่มันยังมีเสียงคนเรียกอยู่เขาก็เลยเดินเหมือนก็เดินไปตามสิ่งเรียกครับฮะเหมือนเดินปกติเลยไม่มีอะไรเลยอืแต่มันกลับกลไปว่าสิ่งที่พี่คนดูแลเขาเห็นเหมือนเขาเดินแบบตาลอยๆไม่มีสติเดินขึ้นมะาในจังหวะที่เขาเดินขึ้นมาพิงขึ้นมาชั้นสองอะ่ะก็ยังมีเสียงคนเรียกชื่อพี่เขาอยู่นะเขาบอกว่าตอนนั้น่ะเขาเหมือนมาคบงงงงงอะไรอย่างนี้แล้วเหมือนแซมผู้หญิงะเขาบอกให้ั้งลงสิ นั่งลงแล้วก็เราก็บอกว่าแทงสิแทงสิง ส, สนุกนะแทงเข้าไปสิอะไรเงี้ยพี่เขาก็แทงแทงเลยพี่ก็ถามว่าพี่คนดูแลถามว่าเฮ้ยแล้วตอนนั้นแบล ม, เมีเป็นจากไหนเขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันมีความเป็นไปไดนะ้พี่ว่าไอ้ห้องห้องน้ำกับห้องครัวมันติด ก, กันและวในห้องครัวมันจะมีมีดผมสงสัยว่าก็คงจะก็คงจะแบบ าการงงๆอนะแล้วก็ไปเอามีดมาแล้วก็เดินขึ้นไปแต่ใ น, นขณะที่เดินคือเราไม่เห็นว่าเขาถือมีดไปเ ร, เรื่องเราก็จบอยู่ตรงนั้นอทีนี้พอเล่าเรื่องเรานี้เสร็จแล้วก็พี่เขาบอกว่าเขาทนไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเขาจ้าเรื่องเนี้ไปบอกกับเมียของฝรั่งให้ฟังนะครับเขาก็บอกเอาเรื่องเนี้ยไปเล่าให้ฟังให้ให้เมียของฝรั่งอฟังคือเป็นลูกพี่ลูกน้องเขาอะนะฮะเขาก็ไปเล่าให้ฝรั่งฟัง ก็คุยกันไปคุยกันมาฝรั่งเขาไม่เชื่อนีพี่ครับฮนะเขาก็รู้สึกว่ามาการที่เขาเอาพวกเนี้ยมาตั้งอะ่ะมันทําให้กิจการเขาดีขึ้นจริ ง, รงๆแล้วกิจการเขาก็ดีจริงๆนงพี่คือมีลูกค้าเข้าเยอะมากเข้ามาตลอดเไม่ขาสายเขาก็คิดว่าอ๋อมันเป็นเรื่องที่ดีแต่ทีนี้พอพูดไปพูดมาสุดท้ายคือเขาก็ฟังฟังเมียเขาอะ่ะเขาก็เลยเอาเอาตุกตาตัวนี้ออกครันะแต่ทีเนี้ยคือมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้น เพราะว่าตอนที่จะเอาตุ๊กตาออกอะ่ะคือพนัก ง, งานทุกคนอะ่ะจริงๆเขาก็ไม่ได้อยากแต่ต้องอาตุ๊กตาตัวนี้นะพี่นะครับนะครับด้วยความที่โดนบังคับเขาก็เลยต้องช่วยกันเอาออกแต่มันยกไม่ขึ้นออืแล้วมันหนักมากมันเหมือนว่าตุ๊กตาตัวนี้ข้างในอะ่ะมันโบกโบกด้วยแบบข้างในเป็นเนื้อแบบปูนซีเมนหรืออะไรต่างๆนานาที่มันหนักมากเออมันหนักมากเขาม่เอาไม่ออกครับเอ ลูกพี่ลูกน้องของคนดูแลหรือที่เป็นเมียฝรั่งเนี่ยเขาเขาก็เลยเชิญพา ม, มาเขาบอกว่าสงสัยจะต้องอันเชิญออกอันเชิญให้ไปเนี้ยเขาเชิญพามมาพี่พมามก็เดินมาถึงชั้นสองเขาบอกว่าอืมเขาไม่ยุ่งดีกว่าอ้าวเออเขาบอกขอเขาข อ, ขอไม่ยุ่งดีกว่าครับพี่ผู้หญิงคนนั้นเขาก็ถามนะพี่เขาก็ถามว่าเอ้ยมันมันทำไมอ่ะมันมีอะไรทําไมถึงไม่ยุ่ง เขาบอกว่ามันมีผ <c oughs> <mut> <ke v> ู้หญ <moi> <diabetic> ิงคนหนึ่งอ่ะเออมีผู้หญิงคนหนึ่งซ้อนอยู่ในตัวตุ๊กตาอีกทีหนึ่งเป็นเงาเป็นเหมือนเป็นวิญญาณเนี้ยแล้วเป็นอังแบบแรงอาฆาตแรงมากเขาบอกว่าเขาไม่ยุคงดีกว่าเขาเข้าไปเขาบอกเขาขอไม่ทําวิธีนี้ทํำยังไงแหละทีนี้เมียฝรั่งเนี้ยเขาก็เลยไปนิมนต์พระนะครับนิมนต์พระมาสามรูปจากวัดวัดวัดหนึ่งแถวนั้นอ่ะเขาก็มาสวดครับมาสวดเสร็จ ก็ให้ให้พวกพนัก ง, งานอะมายกหุ่นตัวเนี้ยปรากฏว่ามันก็ยังยกไม่ขึ้นครับนะครับมีภาพรูปหนึ่งเนี่ยเขาเอาใส่สีนนะ่ะมัดทั้งแขนมัดขาตุ๊กตาตัว น, นั้นนะพี่แต่ไม่ได้มัดคอน่ะนะ ค, คือเหมือนกับทําเป็นสร้อยสร้อยเขาเรียกอะไรสร้อยมือใส่สีนนะ่ะ<อ>มัดมือซ้ายและมือขวาครับแต่ขาเนี่ยมัดรวมกันอแล้วก็ท่องคาถาท่องอะไรอย่าเงี้ยน่าแปลกที่พี่เขาบอกว่า พวกพนัก ง, งานอะเขายกได้สบายเลยคนเดียวก็ยังยกได้อ oh. ก, ก็ยกไปนั่นเองยกไปทีเนี้ยเขาเขายกไอต้ตุ๊กตาตัวนี้ออกไปทางหลังร้านนะครับแล้วก็ใส่ลถกระบะเออพี่เขาบรรยายมันเหมือนหนังเรื่องนี้เลยพี่ mm. ในบุพาพารตีภาคแรกอะท mm. ี่เขาเอาศพขึ้นไปบว้ไว้กระบะ mm. ไอ้กระบะท้ายหลัง mm. แล้วก็ได้มีเด็กวัดอะคอยจับไว้แล้วก็ได้มีพระร้านทัพี่สองรูปอะ คอยสวดมนต์นำทางตลอดเวลาที่อยู่บนรถแล้วก็อีกรูปหนึ่งอะ่ะคอยนั่งไปเป็นเพื่อนอะไรประมาณนั้นนะครับเมียฝรั่งเขาก็ไปด้วยเขาก็เอาเอาเอาตุกตาต๊กตาตุ๊กตาตัวเนี้ยซึ่งเขาคาดว่าน่าจะมีวิญญาณอะสิงอยู่เป็นเผานะฮะปรากฏว่าเผาไปไอ้ข้างนอกอะ่ะมันก็ไหม้แหละครับแต่พอเผาไปเรื่อยๆเสร็จเอมันมีชิ้นหนึ่งที่มันเผาเผาไม่ได้มันไม่ไหม้ไปคือหลังจากที่ อไฟดับไปแล้วเนี่ยเขาไปผิดผิดดูพี่ปรากฏว่ามันเป็นคล้ายๆเหมือนอเหมือนแผ่นกระโหลกอ่ะเฮ้ยมันเหมือนเป็นแผ่นกระโหลกซึ่งมีผมติดอยู่ด้วยซ้ําเฮ้ยมันโดนไฟไหม้เหรอเขาใช่พี่มันโดนไฟไม่ไหม้แล้วแผ่นตัวเนี้ยมันก็ไม่ไหม้ตามสำคัญคือผมก็ไม่ไหม้ด้วยเฮ้ยโอ้โหอผู้หญิงเมียฝรั่งเขาก็ตกใจว่าโอ้โหตายแหละ สามีฉันไปซื้ออะไรมาเนี่ยออพาทั้แบบพ่อมองหน้าสามสามร่วมพี่แล้วลเขาก็คือเหมือนเขาา้าแบบริกรรมคาถาอะไรสักอย่างอ่ะมาสวดสวดยาวเลยนะสวดแล้วก็บอกให้เผาวิธีหนึ่งสวดไปสวดมาแล้วก็ทําเอมียฝรั่งเนี่ยเขาก็เอาสับแบถังสังกะ่ะมาช่วยร่วมร่วมแบบถอยสังกะทะแล้วก็ร่วมพาก็สวดจนสุดท้ายก็คือเผาได้จริงๆรเนาะเผาแล้วก็หายไปเป็นผงเลยออ หลังจากนั้นเป็นต้นมาก็คือไอไ้โต๊ะโต๊ะเครื่องแป้งนั่นน่ะที่เป็นของโบราณยังอยู่นะพี่ยังอยู่ยังอยู่ใช่อุปรกรณ์อะไรต่างๆที่มันเป็นเครื่องแต่งหน้าโบราณยังอยู่ครับฉะนั้นแล้วสิ่งที่พวกเขาเจอมันมันไม่น่าเกี่ยวอะไรกับโต๊ะเบื้องเครื่องแป้งน่าจะมาจากอันนี้แหละอใช่ครับมันน่านจะมาจากตุ๊กตาตัวนี้นั่แหละคือถ้าถ้าเราจะเรียกตุ๊กตาเนี่ยผมว่าไม่ใช่แล้วคือถ้าเป็นสเกลหนึ่งต่อหนึ่งเท่าคนนะผมว่าเรียกหุ่นเถอะ เรียกหุ่นใช่มันน่าจะเป็นหุ่นแล้วหุ่นนางรําเลยแหละออืหุ่นเนี้ยคุณบอยเห็นกับตาใช่ไหมฮะผมอยากรู้ว่ากับตาเลยครับมันมันคือวัสดุอะไรอ่ะมันเป็นพลาสติกธรรมดาเนี้แหละพี่เป็นเนื้อพลาสติกนานาอ่ามีหน้ามีตาเขียนหน้าเขียนตาใช่แบบนั้นเลยแบบนั้นเลยรอใช่ครับแบบนั้นเลยแล้วก็ที่เชื่อไหมคือหลังจากที่ตุ๊กตาตัวเนี้ยคือคือเอาตุ๊กตาตัวนี้ออกไปจากร้านอะ กิจาการก็ไม่ค่อยดีเลยนะกิจาการก็ดาวลงเรื่อยๆเลยครับไม่มีคนเข้าจนถึงขนาดแบบเจ้าของเนี่ยเขาจะต้องกั้นกั้นกำแพงขึ้นมาเพื่อ แ, แบ่งเป็นสองตึกแล้วให้ตึกเนึ่ยเอาไว้เช่าออืเพื่อจะเอาเงินตึกนั้น่ะมาเหมือนม า, ม า, มาจุนเจือแต่อีกตึกหนึ่งเพื่อให้ตึกอยู่ได้ครับเ <c oughs> เหมือนกับว่าอหุ่นตัวเนี้ยถูกทําอะไรบางสิ่งบางอย่างใส่เข้าไปในตัวหุ่น เพื่ออะไรก็ไม่รู้เพื่อเหตุผลกลไดก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ทราบเหมือนกันคล้ายๆกับเป็นเหมือนแผ่นกระโหลกแผ่นใหญ่ไหมฮะผมไม่ได้เห็นด้วยตัวเองนะแต่พี่เขาบอกว่าแผ่นใหญ่ครับแผ่นใหญ่มันถูกมันถูกฝังอยู่ข้างในโตหุญเออใช่พี่แล้วพี่เขาบอกว่าข้างในโตบุญน่ะมันมีเหมือนรอยอักขระในการเขียนอะไรก็ไม่รู้แต่เรื่องนั่นแหละผมว่าเขาหน่าจะไปทําพิธีกรรมอะไรบางอย่างเกี่ยวกับหุ่นตัวเนี้ย เอออาจจะเป็นการฝังหรือว่าการสะกดหรือการเลี้ยงวิญญาณบางสิ่งบางอย่างอะไรไว้ในหุ่นตัวนี้ก็ได้เออใช่โ อ, อ้ซึ่งต้องบอกว่าเฮ้ยเป็นหนึ่งในผีที่ผมกลัวนะนางรําเนี่ยไม่รู้ดิผมเห็นหนังผีที่มีนางรําผมกลัวกลัวพืดโอ้โหและยิ่งมาแบบท่ารานะเออผีมาแบบในท่ารำเนี่ยมันน่ากลัวนะ อ, อันนั้นเห็นในในใ น, ในภาพยนตร์นะพี่ใช่ต้องเจอตัวจริงๆแบบแบบเพื่อนผมเจอแล้วแบบ<อ>ที่ผมเห็นในหางตาอย่างนี้จะรู้สึกว่า ม, มันไม่สนุกเลยซึ่งที่สําคัญคือฝรั่งคนเนี้ยเขาไปซื้อหุ่นตัวเนี้ยมาจากไหนไงนั่นสิเขาก็ไม่ได้บอกเมียเขาหรอว่าเขาซื้อมาจากไหนเขาไม่ได้บอกนะพี่<อ>คืออะไรต่างๆนานาที่เขาเห็นว่าอะไรที่เป็นในไทยอ่นะครับแต่ทีนี้ยผมเข้าใจว่าเขาคง เขาคงแยกแยแบบเราไม่ได้แยกแยะรายละเอียดแบบเราไม่ได้ว่าสิ่งไหนควรเอาเข้าบ้านสิ่งไหนควรเอามาประดับอะไรครับฝรั่งเขาอาจจะชอบอย่างฝรั่งบางคนอะอย่างอย่างเดวิดแบ็กแฮมมาเมืองไทยยังชอบสารพระภูมิซื้อเอาไปประดับบ้านแต่ฝรั่งนั้นก็จะชอบอะไรที่มันเป็นศิลปะแบบไทยๆอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติซึ่งเขาไม่รู้หรอกครับว่าเอ้ยบางทีสิ่งของพวกเนี้ยบางอันเนี่ย ก็ไม่ควรที่จะซื้อไปเก็บไว้ในบ้านไงเอใช่บางสิ่งบางอย่างไม่ใช่บอกว่าทุกอันนะคุณผู้ชมคือบางสิ่งบางอย่างอย่างเช่นถ้าเราไม่ได้ทําเกี่ยวกับเอเขาเรียกว่านาฏหนลาตัดสิน เ, เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะไปซื้อตุ๊กตานางรำม า, เ, าเก็บไว้ในบ้านทําไมหุน่นนางรามาเก็บไว้ในบ้านทำไมถูกไหมใช่ใชแต่คนฝรั่งบางคนเนี่ยเขาชอบไงเอเอเฮ้ยสวยดีดูความเป็น มีความเป็นไทยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอซื้อมาแล้วได้ขอแบ <S <S <S แถมก็ใช่อ่ะสิ <S <S 2> <S 2> นะครับดีไม่ไม่ถึงกับเสียชีวิตคนที่แทงตัวเองอะนะะใช่พี่ออโอ้โหแทงกันจึ ก, จกขนาดนั้นไม่ตายตไม่ตายพี่ไม่ตายคือจังหวะที่เขาแทางเนี่ยคือเห็นพี่เขาบอกนะแทงนในช่วงที่แบบใกล้ๆกล้กับสายติ่งไงครับเออยู่ในช่วงนั้นซึ่งมันไม่โดนจุดสําคัญแล้วมันไม่มีอะไรที่โดนโดนไปทางล้ำไส้หรืออะไร และอีกอย่างคือคนที่คนที่แทงเี่ยเขาเป็นคนที่อ้วนมากอืมเอ่อฉะนั้นแล้วไขมันบางส่วนเขาคงอาจจะตัโปรเทคอะไรจากตรงนี้หน่อยนึงครับครับผมอือแล้วหลังจากที่หุ่นตัวนี้ไม่อยู่แล้วเนี่ยกิจการเขาก็ไม่ดีแล้วเขายังยังไปต่อไหมหรือว่าปิดยกเลิกก็ก็ยังทําต่ อ, อตเพราะว่าอเอา่อหลังจากที่เขาเปิดตอนแรกนะพี่เขาเปิดสาขานี้นะ มันมันมันขายดีซะจนนี่สามารถไปเปิดอีกได้อีกสาขาหนึ่งสาขาเนี้ยอยู่ใกล้ๆคับวัดแขกเลยอืออื่าอยู่แถวๆนั้นแหละแต่มันมีหลายหลายหลายหลายร้านครับรครับ<ว>นะั่นแหลครับหลังจากนั้นก็คือ <Hey. S 2> ดาวลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงต้อ ง, ต, องต้องปิดอีกตึกหนึ่งนะเพื่อให้เขาเช่าน่ากลัวเรื่องของหุ่นนางลำไม่รู้นะผมฟังเรื่องนางลำแล้วแบบอุ้ย เคยเห็นแต่ในหนังไงเออเวลาเขาล้ำมาเดินมาแล้วมีเสียงดนตรีไทยคลอมาเนี่ยโอ้โหน่ากลัวยังมันจะลุกตามเลยอะยังหนังเรื่องไอ้นี่ไงอหนังเรื่องทรีที่เป็นหนังฮ่องกงหนังเกาหลีนั้นหนังไทยอ๋อครับเอ่อวิญญาณอาถรรพ์อาฆาตประสมจำไม่ผิดเช่นนะที่พี่อุ๋ยนนทรีกำกับในภาคของหนังไทยที่เป็นผีนางรำอะโอ้โหน่ากลัวอ คนน่ากลัวเลยะเออคือ น, นนะคือมันได้บรรยากาศของความเป็นแบบผีนางรำของแท้เลยโอ้โหในเรื่องนั้นน่ากลัวจริงผมผมแบบโหเฮย้ยเออเออเนื้ภาพออกนะฮะแล้วก็ยิ่งเป็นหุ่นนางรำหรือว่าตุ๊กตานางรำที่อยู่ตามศาลอะไรพวกนี้เวลาผมเห็นแล้วผมจะไม่รู้ดต่ผมจะมีความกลัวพวกเนี้ยแต่ไม่เคยเจอนะแต่ผมกลัว สงสัยฟังมาเยอะอะไรประมาณเนี้นะครับใเออได้ฮะคุณคุณบอยนั่นคือเรื่องราวของตุ๊กตาฝังวิญญาณซึ่งปัจจุบันนี้ตุ๊กตาตัวนี้ถูกทําลายทิ้งไปเป็นที่เรียบร้อยถูกทาลายทิ้งไปเรียบร้อยแล้วอ๋อเผาทิ้งไปแล้วนะฮะเพราะว่าโอ้ไม่ไหวจริงๆมีแต่เรื่องใช่ใช่มีแต่เรื่องกิจการดีแต่มีแต่เรื่องมันก็ไม่ไหวเนาะใช่ใถูกต้องเลยครับได้ครคุณบอยยังไงขอบพระคุณมากมากนะครับที่วันนี้มาปิดท้ายให้กับเดอะกอสเรดียลของเรานะ ขอบคุณครับพี่แจครับโอเคขอบพระคุณครับครับรักษาสุขภาพด้วยนะเช่นเดียวกันครับคุณบอยสวัสดีครับสวัสดีครับ